Nakmu taca, akawatu arahatu sama camput taca. Nakmu taca, akawatu arahatu sama camput taca. Nakmu taca, akawatu arahatu sama camput taca. Puthang tamang sangkang nama kami. Itu barang sekejang kamu. โ, ตโตออยตะปโธปีเอายาโยนทั้งหลายทุกคนต่อไปนี้ตั้งใจฟังธรรม่ขอวางมือลงตามสบายก็ได้ไม่ต้องประนมมือก็ได้เอาจิตปรลบนั่งให้มันสบาย มันถนัดยังไงก็นั่งให้มันสบายความเป็นจริงนั้นก็การฟังนกรรมก็คือนั่งให้มันสบายไม่ให้มันขัดต่อกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งใจเราสบายเพื่อให้จิตเราสงบเพื่อให้จิตเราทั้งรวมระวังฟังนกรรมนั่นเอง <c oughs> ในท่าที่ดีก็นั่งเอามือวางลงบนตักนั่งสมาธิเราพูดง่ายๆประเดี๋ยวเข้าที่นันเองเนะี่ยมันไม่ค่อยเข้าที่กันในคนเราเนะ่ะมีเดียวว่าเข้าที่มันวันสองวันเราก็ไม่เคยเข้าที่มันหอกนะมีเดียวว่าเข้าที่พระพุทธเจ้าทูบาอาจารย์เอาประกันนั่งเข้าที่มันมันจะ อ, อยู่ที่มัน เอาทุกคนบัดนี้วันนี้คุธบริษัททั้งหลายทั้งกระหัสเจบันปราชิตทั้งหลายด้วยมารวมกันณนะสถานที่นี่เพื่อการบำเพ็ญบุญมีการทอดผ้าบังศลเป็นพื้นประเพณีมาจากทาั้งพุทธการ วันนี้จึงเลยมีผ้าป่ามาทอดผ้าป่าสองรายซึ่งมาเรียนอตาตมาจะทำยังไงดีจะพรุ่งนี้หรือตอนไหนจะทอดอาตมาก็เลยใหกความเห็นว่าโยมมันไม่มากไม่น้อยเทาย่าไรเนอกเอามารวมทีเดียวกันซะพรุ่งนี้หกโมงพระก็จะออกไปเปิียนถวายแดวมนก็จะบาก ไม่ว่าทห้มันเป็นอันเดียวกันแล้วพอญาติโยงเขาก็ไปปรึกษาอืในความมีความเห็นสามคีกันก็มารวมกันเป็นอันเดียวกันก็คือมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วหล่ะถ้าเราเอาไม่มาไม่เอามารวมมันก็รวมเป็นอันเดียวกันเ่านั้นเนี่ยพามันก็พาอันเดียวกันมอนมาทำมอนอันเดียวกันอะไรมันก็อะไรอันเดียวกันถึงนั้นเนี่ย ถ้าเราเอามารวมกันเช่นเช่นนี้แกแ ค, ความกลมเกลียวกันทุกอย่างทุกประาณนั้นมันก็ไม่มีอะไรก็สบายแต่ว่าวันนี้อาตมาจะพยายามพูดธรรมะให้ฟังธรรมะอาตมานั้ น, ม, นมันมีค่อยมีตนมีปลายก็เขาหรอกอ ม, มันธรรมะเบ็ดเร็จ จับเอานู้นบั่งจับเอานี้มั่งต่อม า, าเทศตามความรู้สึกไม่ได้ศึกษาตำรับตำรามากศึกษาแตพ่อขิดแตโดยมากอย่างนั้นจึงไม่รู้จักข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่กับเขาเอามารวมเามารวมรวมรวมกันต่อมามันก็เป็นธรรมะให้เราเข้าใจอย่างนั้น เทศตามความรู้สึกได้ยินข่าวว่าข้าวปลาจะมาทอดจะนึกว่าเออจะเทศอะไรให้ศรัทธาฟังน้องก็ไม่ได้คิดนั่งยืนข้างล่างว่าวันนี้จะเทศอะไรให้โยมฟังก็ไม่ได้คิดขึ้นมาธรรมาฏแล้วราชนาเทศอยากจะเทศอะไรให้โยมฟังก็ยังไม่รู้นะ มันรู้แต่คำที่จะพูดต่อๆไปนี้แหละอย่างนั้นจึงปรนกันตั้งใจฟังคุณาคมว่านี่คือจุดสำคัญจุดสำคัญคือจุดฟังธรรมนี่เป็นจุดสำคัญแค่พระพุทธเจ้าอ่ะให้ทานั่างหลายตั้งกวงคงไม่เท่าให้ทานเป็นทับพูดโดยที้เต่คนเดียวก็ไม่รู้นะอย่างนี้บางคนก็คงจะ ไม่ค่อยสบายใจนะเดินมากะทังวันในหลายวันนี่นเระาพุธเจ้าสอนว่าทานอะไรก็ดีสู้กันให้ทำเป็นทานไม่ได้โยมบางคนคงเยอะไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะอย่างนี้แอ้ความจริงเป็นอย่างนั้นโยมมันก็เป็นอย่างนั้นให้ถือว่าวันนี้ทุกคนที่มาวันเนี้ย อัตมาไม่ต้องการอะไรมากต้องการใจของโยมเท่านั้นแหละอืมต้องการใจเพราะความสบายมันก็สบายที่ใจที่มันไม่สบายมันก็ไม่สบายที่ใจนอะอืมันที่นั่นอืมอ่ากายมันปวดมันก็ไม่สบายที่ใจ อะไรมันไปรวมอยู่ที่ใจที่ใจที่จิตเน่ยเนี่ยเป็นของสำคัญเราทุกคนพร้อมที่จะเอามาแล้วทุกอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติในวันนี้มีแล้วพร้อมแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้จะปฏิบัติที่ไหนจะปฏิบัติอย่างไรธรรมะอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ก็คือไม่รู้จากว่ามันสุขที่ตรงไหนมันทุกข์ที่ตรงไหน มันสบายที่ตรงไหนไม่รู้เรื่องอืมแต่หาความสบายอยาก ไ, ได้แต่ความสบายได้ยินชื่อว่าสบายแ้่ก็เลยอยากจะได้อย่างนี้เป็นต้นปรารถนาความสบายกันไอ้คนเรานั้นน่ะมันไม่สบายหรอกโยมมันไม่สบายแต่ไอ้ความไม่สบายนั่นมันให้เกิดความสบาย มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนปีนไปมาอยู่อย่างนั้นแหละมีการยืนการเดินการนั่งการนอนสลับสับซ้อนกันไปอยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนอยู่อย่างเนี้ยมันอาศัยการเปลี่ยนที่เราอยู่นี่ธรรมะของพระพุทธ เ, ทเจ้าของเรานั้นเนี่ยแม้มันตรงไปทีเดียวเลยเพราะทําไมไม่รู้ใจเรามันไม่ตรงท่านพูดตรงไปที่นี่เราไม่ไปที่นั่น ไปคนในอย่างกันอมน่อัตมาเคยเล่าให้ฟังว่าเทศให้ฟังก็ะทั่งคืนใครพูดถึงบ้านอัตมาหลอแถวๆนี้เทเสดฟังก็นั่งฟังกันก็ะทั่งคืนก็ได้แต่ว่าเทศจบแล้วอสะกันเดินกลับบ้านจะยินเสียงบุญกันว่า คือท่านเทศอะไรก็ถูกกนท่านมดทุกอย่างอ่แหละแค่ว่าเราทำไม่ได้เราคารมไม่ได้เราทำไม่ได้โดยมากกลาเป็นกันใจอย่างนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนเช่นนั้นมันก็ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะมันก็ทุกข์มันก็ยากมันก็ลำบากจะอยู่คนเดียวมันก็ลำบากจะอยู่หลายคนมันก็ลำบาก จะรวยมันก็รำบากจะจนมันก็รำบาดเพราะว่ามันหลงมันเป็นกันต้ออยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ท่านว่าพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเราก็บ่นว่าพระพุทธประธรรมประสงค์เท่านั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสง์ ถึงว่าเราปล่อยเปลี่ยนวาจาไปแล้วก็นึกว่ามันจะสบายอย่างนั้นอันนี้เป็นเป็นความจริงเพราะคนที่เขามานี้าอาตมานี่ทุกจังหวัดโดยมากถ้ามีความสุขแล้วไม่ค่อยเข้ามาหรอกถ้าไม่ค่อยสบายแเราก็มาทําไมถึงเข้ามาไม่สบายไม่สบายอะไรไม่สบายใจ ไม่เคยเห็นว่าไม่สบายจมูกไม่สบายตาไม่สบายหูไม่สบายอะไรไม่เคยพูดว่าฉันไม่สบายใจจริงอันนี้ก็จริงเพราะว่าตาหูจมูกปีนกายมันเอามารวมให้ใจทำงานคนเดียวถ้าทางานอย่างถูกต้องมันก็ใจมันก็สบายแต่ความเป็นจริงมันมารวมที่ใจ มันเป็นอินทรีย์จากกุนทรีย์โซตินทรีย์คารยินทรีย์มายินทรีย์อะไรทั้งหลายแล้วเนี้นะ่ยมันอินทรีย์อันนี้คนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอาตมาเคยได้ตอบโยมทั้งหลายที่มาวัดป่าพงวะนุ้งพ่อบทดังนี้เอาเป็นมาจากที่ไหนว่าเขามาจากประอิน บางคนก็นึกว่าโยมไอ้บางโยมบางคนก็นึกจะว่าจะมาพูดเล่นเอามาจากปะอินปะอินเราให้ก็โยมไม่ดูจากปะอินก็แงหน้าแงหลังแล้วก็ไม่รู้ว่จะคิดยังไงไม่เคยเห็นปะอินเนอะนะในความเปจริงพระอินเนี่ยเราไปนั่งที่ไหนก็ไปที่ น, นั่นเรานอนที่ไหนก็อยู่ที่ น, นั่นเราเดินที่ไหนก็อยู่ที่ น, นั่นอืม ป้าอินอินสีทั้งห้านั่นแหละเนี่ยชาหัวเจมูกเลีนกายใจเป็นป้อินแค่นั้นโบทดังนี้อาจจะมาจริงว่าพระอินให้เป็นมาอย่างนั้นใ้ความเป็นจริงนั้นนี่เนี่ยพระอินที่มีอยู่นี้เราก็ไม่รู้จักพระอินใ้ความเป็นจริงธรรมะมันมีอยู่ในเราเราก็ไม่รู้จักธรรมะ มาเราไม่รู้ก็งเหมือนมันไม่มีถึงมีอยู่ก็เหมือนว่ามันไม่มีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนั้นจริงไม่ค่อยสมบูรณ์อเป็น พ, พุทธบริษัทไม่ค่อยสมบูรณ์คือไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงซึ่งพวกเราทั้งหลายมาวันนี้ก็เพื่ออยากจะฟังธรรม เพื่อหาความจริงคนที่ไม่รู้จักความจริงพูดความจริงให้ฟังก็ไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าทำอะไรนะเหมือนกับคนจาบอดัอหละน้องพ่อสีขาวมันเป็นยังไงอ็มันก็เหมือนปูนขาวนัว่นแหละน้องพ่อปูนขาวมันเป็นยังไงเอาไปอีกแล้วปูนขาวมันก็เหมือนกีฟฝ้าอยู่ท้องฟ้านะ้ำ ข, ขาวนะ่ะท้องฟ้ามันเป็นยังไงก็เลยไม่จกเดือนกันทันที พูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริงมันเป็นไงอย่างนั้นอันนี้เพราะอะไรเพราะมามีอะไรในน้อยมาปิดบังไว้ที่ไม่เห็นความจริงอืมถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นน่ะมันก็สบายปัญหามันก็น้อยเช่นบางวันนี้การให้ทาน การให้ทานทุกอย่างสารพัดที่ญาติโยมนํามาให้ทานวันนี้อันนี้เป็นทานบารมีเป็นบารมีที่ยวดวยิ่งเป็นบารมีที่ต้นที่เป็นบารมีอย่างใหญ่หลวงทุกคนถ้าหากว่าไม่มีการให้ทานมีการยอมสละเสียสละแล้วมันจะสบายที่ไหนไม่ค่อยสบายเนาะ จะอยู่คนเดียวก็ไม่สบายจะอยู่หลายคนก็ไม่สบายบางคนนึกว่าการให้ทานนี่เป็นของเล่นเล่นพระพุทธองค์จริงให้ชื่อว่าอันนี้มันเป็นบารมีนะเป็นบารมีแท้แต่ว่าจะให้ทานแท่จริงนั้นเพื่ออะไรคนไม่รู้จักเพื่อระงับความมืดบอดทางหลายนั่นเองวันนี้เราต้องคิดดูก็ได้ว่า ปัจจุบันในวันนี้มีอะไรสงมไหมทุกสิ่งสารพัดที่ญาติโยมรวบรวมมาตั้งหลายเดือนเน่ะรวมกันมาเนี่ยเพื่อจะมาให้ทานมันเป็นของยุ่งมันเป็นของยากมันเป็นของลาบากถ้าให้ทานไปแล้วก็สบายใจถ้าไปขโมยของของมาสิที่เราเสียไปวันนี้ยังไงวันนี้ก็นอนไม่หลับจะแล้ว เ น, นี่ยนี่คือการเห็นแก่ตัวไม่สบายใจกระทั่งวันกระทั่งคืนซะแล้วฉะนั้นการให้อันนี้มันจึงเกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลที่มีปัญญามีประโยชน์หลายอย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อยก็ตามดีฮหตั้งใจมาแล้วถึงมาก็มาด้ความพอใจ มาถึงแล้วกว็พอใจถวายจะถูก ป, ประใจไปแล้วกว็พอใจก็ดีว่าใจเรามันสบายไอ้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องอะไรเดียกว่าบุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองเนี่ยมันมีความสุขความสงบ จากเหตุการณ์ต่างๆทันเรียกบาบุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่นทันเรียกว่าบาปนั่นมันเป็นใจอย่างนี้แต่ว่าบาปบุญนั่นมันมีอยู่แต่คนบางคนที่มืดบอดก็บาบาบุญไม่มีบาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือคนหหวหวงเสียงมันดังอยู่ประดีว่าเสียงไม่มี รูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มีอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกันพูดถูกคําของเขาพูดถูกความนึกคิดของเขาแต่ว่ามันไม่ถูกความจริงใ้ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นกดใจมันก็เป็นความจริงน่ะมันก็เป็นธรรมะที่แท้จริงอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัต มันเป็นใจอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินจำเป็นที่เราจะต้องได้ฟังถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้วมันก็สบายกันถึงนั้นแหละถ้าไม้สบายนะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่หรือนอกนี่ไปก็บเหมือนกันเกิดมาทำไมไอ้ความที่เราเกิดนะการที่เราเกิดนะคือเรารับพูดง่ายๆแต่เขาเอาไว้ได้ รับมาตายนั่นเองเลยใครจะยอมตายมาชันคนหนึ่งจะรับยอมตายทุกๆคนเนี่ยเป็นเป็นนรรทองนี้จะเก็บจะแก่จะเก็บจ ะ, จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะตายรับรองเถอะนะชันชอบไม่ลดบดีเทวะเกิดมาแล้ ว, ลวมันปวดทิสานิดเดียวก็ไม่ชอบแล้วนะ มันจะเป็นอะไรนีเดียวก็ไม่ชอบไม่ชอบมันก็เกิดทุกข์เถอะเนี่นยทำไมมันต้องทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงะจะไม่ชอบสักอะไรมาะก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้อันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นรังนั้นอาจจะมา ถ, ถึงมาผูดที่ญาติโยม ฟ, ฟังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่ พูดแต่นน้อยแต่ไาอา้พูดหาความจริงถ้าคนเรารู้จักความจริงแล้วมันไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากมายมันมีความสงบมันมีความระงับเพราะว่าโรคอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็มันไม่ทำให่ใครไม่เป็นอะไรกับใครนะมันก็เป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นทำไมบางครั้งเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบมัน ทำไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราเราไปชอบมันเข้าเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ที่นั้นแต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมากมันจึงไม่เห็นต้นถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริงเห็นตนก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะมันก็เห็นต้น อันนี้มันไม่เห็นตนมันก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นตนไม่เห็นธรรมะมันก็ไม่เห็นความจริงถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่มีความถูกต้องตามความจริงตามธรรมะอย่างนั้นคนไม่ได้รับธรรมะมันถึงเป็นทุกข์อ่ามันถึงไม่สบายคนมีธรรมะในใจแล้วนะมันสบายมันสบายก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้น แต่ว่าคนนราไม่อยากจะฟังธรรมที่แท้ยังในเครื่องพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลยท่านพูดเรื่องอนิจังทุกขังอนาะจารย์ที่ด่าสกุลร่างกายที่เราเนี่ยมันไม่สวยไม่งา ม, มไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศว่าไม่สวยก็โกรธท่านไม่ชอบจะฟังเนะี่ยคือคนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับ ทำไมไม่รู้จักความจริงมันหลงเสียมันจึงไม่เห็นแต่เรื่องที่ไม่เห็นนี่น่ะไม่ใช่มันเรื่องอยู่ไกลนะปลามันอยู่ในน้ํามันก็ไม่เห็นน้ําก็ได้อะไสเดือนมันอยู่กินขี้ดินอยู่มันก็ไม่เห็นดินก็ได้อย่างโครงกระดูกที่อยู่ในหูุเนี่ยอืมไม่เห็นบางคนมาเห็นเนี่ยเพากลัวไม่อยากจะดูด้วยกลัว บางคนเนี่ยตามมานอกไม่ค่อยเห็นอันนี้ไม่กล้ามาดูทั้งกลัวทั้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ก็เรียกคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูกกระนพาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูกอยนนู่นันเอเมื่อคืนนี้นอนห่มผ้าเพลนเดียวกันเลยมาเห็นโครงกระดูกก็ยังกลัวอยู่ น, นั่นเอง อันนี้คือคนมาเห็นตัวเห็นตนเห็นเจ้าของว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรจึ่งเกิดความบาดความกลัวนี้แต่ของมีอยู่เป็นอยู่เพรามไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจา้าตรัสสอนนั้นท่านตรัสอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี่ยในตัวของเรา แม่เป็นนักบวชที่จะบวชมาในพุทธศาสนาอุปชาบวชคุณบุตรลูกหลานต่อเจสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่เห็นเน่ยมันมีอะไรปิดบังอยู่ออืเจสาคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันในสวยไม่ยอมไม่รับไม่ยอมรับอื มันไม่สวยมันไม่งามมันสุกระปรกมันน่าเกลียดมันสุโรคไม่ยอมไม่รับไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่เห็นริงทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไม่เห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจริงแบบฟังธรรมฟังอยู่ดีด้วยแต่ฟังก็ไม่พิจรารณา มันรู้จักอย่าฟังไปเฉยๆการฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้บุญเพราะฟังเฉยๆคล้ายๆที่น้ํามันยออเท้าเราเนี่ยนนเราไปมองไอ้โอ้ไอ้นี่มันเก็บเท้าไปไปไนี่น้ําเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน้ําเห็นไหมเนะี่ยมองเห็นนั่นนะเห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นน้ําแล้วทาไมมันจะหายล่ะนะบุงมันออกเสีย ท่ามันดอกเสียมันก็หายแท่านั้นเนี่อันนี้เห็นว่าไอ้น้ําเห็นอยู่แต่ไม่ถอนน้ําออกจากข้าวแล้วมันก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นเนี่อันนี้คือมันกันฉันนั้นคือบุคคลไม่เห็นน้ําคือไม่รู้จักทุกข์มแหละทําไมมันไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเห็นความหลับทุกข์ อืมนี่ไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้อะไรต่างๆก็มารวมอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักทุกคือไม่รู้จักว่าไอ้ทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อทุกข์ให้เราไม่รู้จักไม่รู้จักก็เพราะมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้พิจารณาละเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จัก ฉะนั้นคนเราจึงชอบทําแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์แต่ไปก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับอมันก็แย่งธรรมะมันก็แยกคําสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นทีตรงไหนมเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหนมันก็ดับไม่ได้จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเราเองเนี่ยไม่รู้ถ้ารารู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก้อนธรรมะมก้อนธรรมะมันอยู่ที่นี่มันมีรูแล้วก็มันมีนาม มาวันนี้พอเราทั้เตรียมพรอมาทุกคนเลยไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ยเครื่องมือปฏิบัตินั่นไม่มีเศษทิ้งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วมีมหิดตะหูเฉียงหมุดยนกายเอามาหมดโดยไม่มีเหลือแนี่เครื่องมือปฏิบัติเอามาหมดไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดประพรมหมดวันนี้นั่น เครื่องมือมีหมดแล้วเพราะหมดแล้วแต่ว่าบางคนก็จะยังไม่รู้นะบางคนก็ยังไม่รู้ฟังธรรมะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเครื่องมือมาอยู่แต่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้จริงว่าพาการอดทนทุกคนอดทนให้อดทนอดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทน คือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมาความสงบขึ้นมามันก็หมดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเราว่าตู้ใบหนึ่งก่อนมันเป็นต้นไม้มันเป็นท่อนไม้อยู่มันก็มีปัญหาที่เราจะต้องทามันมาเรื่อยมันมาตัดมันในสัดใส่วน เพราะว่ามันมีเหตุที่จะต้องทํามีอยู่เมื่อเราทาเสร็จแล้วพาชลักแล้วเอาโชวไว้เท่านั้นหมดที่จะต้องทําแล้วอมันหมดสิ่งที่จะต้องทําแล้วหมดในตู้ใบนั่นแหละตู้ใบนี้สมัยแต่ก่อนมันเป็นต้นไม้มัดนี้มาเป็นตู้ที่สวยงามนับเลยว่าของที่ไม่สวยงามนั่นแหละมันเกิดความสวยงามเราทุกคนมีกลุ่มือนกันทร์นั้นทุกคนก็เป็น ผูุ้ชนมาทางนั้นเนี่ยไม่ใช่มาแต่เรานะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอืมไม่ใช่มาแต่พวกเรานะ่ะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้ทุชนมาทางนั้นเนี่ยไม่รู้มาทางนั้นเนี่ยมันถึงรู้แต่โยมทั้งหลายอย่าลืมมาจุดที่สําคัญนะไอ้ความสุขกระบอกอยู่ที่ตรงไห น, นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเคยคิดไหม เห็นบ้านเราสกปรกไหมมันสกปรกที่ตรงนี้เราก็ไปเช็ดมันที่ตรงนั้นล้างมันที่ตรงนั้นไอ้ความสะอาดก็เกิดขีดตรงนั้นไม่เกิดที่อื่นเนี่ยถ้วยชามมันสกปรกเอาไปล้างมันที่มันสกปรกน่ะมันก็มีความสะอาดเกิดสมาธิตรงนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วธรรมะมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่น ความวุ่นวายอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ที่นั่นความไม่ถูกอยู่ที่ไหนความถูกอยู่ที่นั่นมันมีพร้อมทั้งสองอย่างอยู่แล้วแหละแต่เราไมา่เคยดูมันซะถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบใจคือคือคอมาไม่ชอบเราเวียงมันทิ้งเลยไม่ต้องดูมาแล้วเบือ่อเบื่อชนิดนี้ม่ใจ่เบื่อธรรมะอย่างาพระพุทธเจ้าท่านเบือเบ่อโลกแต่พระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกท่านไม่ทำลายโลกท่านไม่เหยียดหยามต่ำโลก Au, ท่านสร้างเบื่อทอดอะไรนั่นเบื่อหรือการปล่อยเบื่อหรือการวางเราเบื่อหรือการผูกมัดกัดดึงเบื่อด <ille! S 1> ้วยกิเลสเบื่อด้วยตัณหาอย่างคนเบื่อคนเหมือนกันไม่อยากจะเห็นหน้ามันไม่อยากพูดกับมันไม่อยากจะไปหามันอันนี้มันเบื่อด้วยกิเลสไม่เพื่อจเบื่อเดียมันสรางจากกิเลสแล้วอันเนี้ยเบื่อมันก็มีอยู่แต่มันเบื่อพราะพระพุทธเจ้ากันก็เบื่ออย่างหนึ่ง วเราเบื่อแล้วปรเบื่อไปอย่างหนึ่งมันก็ด้เรื่องกันฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ด้วยกันถ้าคนเราไม่พิจรารณาด้วยธรรมะไม่เห็นอเช่น่าของสกปกอยู่ที่ไหนของสะอาดอยู่ที่นั่นนี่เป็นต้นมันไม่น่าเนะบุนบายที่ไหนที่สงบอยู่ที่นั่นมันไม่น่าคิดนี้เท่านั้นละ่ะบุญบายตรงนี้เราก็เนื้ อ, อความสงบอยู่ที่โ น, น้น ไปด้วยทีเดียวหนีจากธรรมะอยู่เรื่อยๆไปแตเราว่ามันจะปกมันต้องกระโปงขี่ตรงไหนถ้ามาทําความสะอาดอะไรมันหมดตรงนั้นมันก็เกิดความสะอาดขึ้นตรงนั้น่โรคที่ตรงไหนถ้าเรามาพิจารณาถึงความโรคความโกรธความหลงนี่ก็เหมือนกันโรคตรงไหนที่ไม่โรคก็อยู่ขี้ตรงนั้นโกรธยุที่ไหนความไม่โกรธก็ยที่นั่นหลงยุที่ตรงไหนความไม่หลงก็ยุทธี่ตรงนั้นแต่บัตคนเราไม่เคยจับ นะเอี่ยมันวิ่งไปที่อื่นเรื่อยๆไปแล้วมันกลับไม่ไม่กลับมามองดูธรรมะไม่กลับมามองดูตัวตนของเรากลับไปมองที่ไม่มีธรรมะนู่นไอ้ที่มีความจริงเงี่ยบไม่มองไม่เห็นอะไรไม่ให้มองไอ้ความมืดบอดนั่นแหละมันไม่ให้มองแม้แต่ฟังธรรมนี่ก็ยังไม่อยากจะฟังบางคนคือมันไม่สนุกมันไม่สธิบาย คืนทำไม่สบายไม่รู้เรื่องอย่างภาษาสเสมีนเนี่ยพูดภาษาสเสมียนนี้นั่งไปก่นนอนห่วงนอนตอนนะี้อย่างวันนี้ตัวมันการใชาโยมไม่รู้จักธรรมะวันนี้ก็ห่วงนอนเอาดีงขนั้ น, น่ะไม่ต้องอะไรอนะ่ะเอาดีมาเลื่อกันเถ ก, ก็แตั้งคืนเลยนะอย่างนั้นไม่นอนไม่นอ น, พออ น, อนเพราะดีงดีงขี้เหรนเลยคือมันแปลกใจขึ้นมาเนี่ย ธรรมะนี่ตัวมันกันเมื่อคู่เข้าใจธรรมะแล้วถึงจะพูดไปกระชังคืนนะอืมจะฟังไว้กระชังหินกัน ท, งทันทงวันก็มีความหลุดือดืด้อไปทางนั้นมันเป็นเบบนนั้นนี่เป็นนั่นจริงเทียบอะเราฟังคาไม่เข้าใจมันก็เหนื่อยมันก็หนิดก็เหมือนพูดไปฟังภาษาที่เขาพูดกันในดูเรื่องมันต้องง่วงนอนเท่านั้นแหละไปฟังเพลงที่ไม่รู้ภาษาอะเนี้นก็ง่วงนอนเท่านั้น มันตีนไส่ยอย่างนั้นคนไม่รู้จักธรรมะก็ราะเป็นเป่นนั้นเมื่อเป็นเป็นนั่นก็ไม่เข้าใจในธรรมะไม่เข้าใจในธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนกันไม่รู้เรื่องเท่านั้นอืเนี่ยก็อไอ้โทษโลกนี้เท่านั้นเองแต่มิเทนั้นองค์สมเด็จพรัตมาสัมพุทรรรร เ, เจ้าของเรานั้นตั้งแต่ศีรษะลงมาหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้ากันไปหาศีรษะเนี่ยของดีๆทั้งนั้นนายโยมนะ อของดีๆทางนั้นแหละเอจะเห็นความสงบระงับประจิตรงนี้ไม่ที่อื่นไม่ใช่ที่อื่นเห็นแต่ตามเป็นจริงเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็เห็นเหตุที่ทุกข์เกิดขึ้นมาตรงไหนทุกข์เกิดแล้วก็ไม่ไปทํามันไม่ไปพูดมันไม่ไปไปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาทุกตรงก็มีเกิดตรงนั้นในเพราะปูกมันขึ้นมาชั้นใดก็ฉันนั้นคนทําไมถึงไปทำความผิดอยู่บ่อยๆเพราะไม่รู้จักความผิด เนี่ยเมื่อรูจักไฟถ้ารู้จักจริงๆแล้วก็อย่างไฟเนี่ยใครจะไปจับมันหมมันร้อนจริงๆนะใครไปจับมันก็ร้อนแต่ทุกคนผนะู้หญิงผู้ชายไปจับมันก็ร้อนถ้ามันรู้จักเช่นนั้นไม่มีใครจะไปจับไฟแต่ความผิดนี้มันยิ่งร้อน ย, อยิ่งกว่าไฟนะมันร้อนยิ่งกว่าไฟแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันร้อนมาไม่เป็นไร อืว่าไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไรท่านั้นเนี่ยคือยังไม่รู้สึกไม่รู้จักใบความร้อนที่ความไม่ถูกต้องมันร้อนยิ่งกุ้งไฟท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงฝืนทำบางทีเอาทางรู้นั่นแหละรู้รู้ว่ามันผิดก็ถามๆทำไมมันเป็นกีดขาดเขามันเป็นขาดเขามันเป็นคนชายเขาเออต้องไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกจริงที่มันเป็นบาปนั่นแหละ เนี่ยเจ้าของก็เห็นว่ามันผิดอยู่คนอื่นก็เห็นว่ามันผิดอยู่แต่ว่าต้องทำทำไมไ็นทำมันเป็นคีย่าตัญหาน่ยบอกให้วิ่งมันก็วิ่งบอกให้เดินมันก็เดินบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นอนมันก็นอนทังนั้นเนีนั่นท่านยังเป็นทาสพวกเราทั้งหลายนี้ตาหาว่าไม่รู้ธรรมะก็เป็นทาสของตัญหาแ่านั้นทาสเขาสบายไหมโยธาสเป็นไง ชาตุมันเป็นยังไงดูธาตุมัเป็นยังไงสบายไหมเราทุกวันนี่ก็เป็นธาตุจริงๆงนะแต่เราไม่พิจารณาแล้วไม่มีความรู้ปัญญาก็เป็นธาตุของมันมันจะบอกให้ร้องไห้ก็ต้องร้องไห้มันจะบอกให้หัวเราะมันก็ต้องหัวเราะอมันจะบอกให้บูรให้เบี้ยวก็ต้องบูรต้องเบี้ยวมันจะบอกให้ยืนย้นแจ่มใส่ก็ยืนมหย้มแจกมใส่ดูแล้วก็นหน้าสงสารนะ ถ้าเราได้าตดีอย่างนั้นก็จะสบายใจดยได้เกินเนาะแตคนใช้สักคนอยู่บ้านในอย่างนี้ก็มันก็สบายแล้วนี่บอกให้วิ่งมันก็วิ่งบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นอนมันก็นอนนะอันนี้ตัญหามันได้เราเป็นาทาตุเน่ยมันสบายใจเรือเกินเนะแต่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าของเรามเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงถ้าเราเห็นกับมาใทีนี้เล้วยเราจะเห็นว่าโอ้เราเป็นาทาตของตัหาเป็นาทาตของความอยาก จะทำยังไงทีเนี้ยไม่ทำมาหากินเนื้อไม่ใช่อย่างนั้นเช่นนักศึกษาเมื่อวานอบรมเนี่ยนักศึกษามาอยู่ด้วยประมาณสักสี่ิ้าคนเนี้ยเนี่ยอยู่เกือีพดินทอนจะมาไปโน่นไปอบรมอาตจจมาก็มาเทียเรื่องว่าเราทุกคนเนี่ยโตมาพอสมควรแล้พ่อแม่ให้เรียนหนังสือตรงนั้นเนี่ะ เดียนนังสือกันจั่นั้นแหละบัดนี้มีบุญเดี๋วก็มีโอกาสมาอยู่ในสขื่อนชีดีทอนทร์อยู่กับผมเนะี่ยมาฝึกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยควรเอาหนังสือน่เขาไปในหีปิดกุญแจมันดีๆซักอย่าไปอ่านมาเนอยอ่านมาพอแรงเนีย่ยมันก็ไ่หายโรคกูดุ้งอะไรล็อกมันก็อยู่ง่ายมึงยิงบุญให้ปิดดีๆซัอ่านใจแล้วนี่นะ อ่านใจมันจะรู้สึกอย่างไงมันจะคิดอย่างไรจะดีจะชั่วประการใดให้มันรู้เรื่องของมันแต่ว่าบางทีมันจะคิดเป็นสุขมันจะคิดเป็นทุกข์มันจะคิดดีมันจะคิดชั่วก็ตามมันน่ะปฏิบัติเราต้องปฏิบัติมันเอาอะไรกาหน้ามันไว้กาหน้ามันไปบอกว่าไม่แน่แต่ต้องพูดมากก็มันคิดสุขคิดสนุกหรือันนี้ไม่แน่ไม่ต้องเอาไปมากไม่เรียนว่าไกลติดกบห พกใครไปดวกมันมารวมอยู่ที่นี่บางทีมันคิดเป็นทุกข์ยุ่งเหยิงก็มานอันนี้ก็ไม่แน่เท่านั้นแหละไม่ต้อนมากแร้วเอาหนังสือไปได้หีบเนันสบายน์สบายหน่ยอ่านใจเรานะบัดนี้มันไม่ชอบคนนั้นนี่ก็ไม่แน่บัดนี้ไม่ชอบร้านคนนี้ไม่แน่บัดนี้ไม่ชอบลูกคนนี้ไม่แน่อย่างยาโย่เหมือนกันมีครอบครัววันนี้ไม่ชอบก็ไม่บ้าน แม่บ้านไม่ชอบพระพบ้านก็ไม่ได้ภาวนากันถ้าภาวนาอย่างอตะมาว่ามันก็ดีนี่ถ้าวันนี้ไม่ชอบพอบ้านไม่แน่นะ่นเขาก็ไปสิถ้าวันนี้ไม่ชอบแม่บ้านไม่แน่เออีกวันนึ่งมันจะชอบหรอกนะอีกวันหนึ่งมันชอบแม่เห็นแล้วเนี่ยกาหน้ามันไว้เออมางคนคนนี้มันหลอกเรายังไม่หยุดดีนะเมื่อวานนี้มันก็ะดอกเราด้วยอยู่วันมันหลอกตราด้วยเสมอทีเดียวได้ ก็เราไปเชื่อคนคนนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนคนี้มันหลอกลวงไงอยู่สเสมอนี่เป็นอยู่อย่างนั้นอืมเป็นทุกขมันก็ดีใจเป็นทุกข์มันก็แยใจอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัววัดตะก็ไม่มีอะไรมากไปคนนี้ถ้าพอใจแลต่ก็สบายถ้าไม่พอใจแต่ก็ทุกข์ร้องไห้มันบ็เรื่องแค่านี้เราคิดเรื่องอะไรถึงนั้นแหละใครเป็นยังไงไหม พ่อบ้านแม่บ้านเคยชอบกันไหมเคยรักกันไหมเคยเกลียดกันมันก็มีอย่านั้นแหละมันก็มีสองอย่างเท่านี้แหละมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมาเระว่า้ามันชอบไม่แน่ถ้ามันเกลียดไม่แน่เท่าเนี้ยโยมปฏิวัติเห็นทาไมจะเห็นเน่ยโอ้ไม่วันนี้มันไม่ชอบวันหลังมามันชอบแน่เห็นไหมล่ะวันนี้ไม่ชอบวันหลังมวันหน้าต่อไปมันชอบแน่เห็นแล้ว เอาเรขาหน้ามันว่าอย่างนี้มันก็เห็นตัวจริงของมันเนี่ยเมื่อเห็นตัวจริงของมันก็เห็นว่าเอออันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะทําไมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนอย่างเนี้ก็เห็นสังขารนี่กายสังขารจิตสังขารในเนี่ยนอนทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะเราจะอยู่คณะไหนมันก็ไม่สบายถ้าเราไม่รู้สังขารนี้มันเปลี่ยนแปลงมันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของเรานี่ แต่พวกเราทั้งหลายไม่พิจารณาได้ลาบมาแล้วไม่อยากใจมันเสื่อมไปได้ยศมาแล้วไม่อยากมันเสื่อมไปมีอะไรได้ไม่อยากหายห้ออดยดายไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมันต้องเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วไม่อยากเจ็บไข้เกิดมาแล้วไม่อยากจะแก่อยากเป็นหนุ่มอยู่เงินมันขัดเตื้อเกินนี่ขัดเต็มลำเลยแท้แต่เราก็เข้าข้างมันอยู่ทุกทีนะ มันจะแก่ก็ไม่อยากจะแก่จะแก่มื่หนุ่มอยู่งั้นแหละเมื่อได้มาแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียให้มันมีอยู่งั้นเนี่ะอันนี้ไม่ได้มันขาดมันเป็นเรื่องอันนี้จังมันเป็นของไม่เน่นอนวันนี้ได้มาพรุ่งนี้มันเสียไปเสียไปได้ก็ได้มาได้มาก็เสียไปถ้ารู้จักความจริงเอาติลมหายใจเราเนี่ยมันถ่ายทอดไหมถ้าโยมอยากจะให้มันได้ใจโยมน่ยนะ เออคื้อจงเข้าไปยใา้มันออกสิจะอยู่ได้กี่นาทีไหมแน่เนี่ยมันเข้าไปเมื่อต้องออกมาออกแล้วไม่ให้มันเข้าเอาสิอยู่ได้ไหมน่เนี่ยโยมก็จะไม่เอาอยู่แล้วมันก็ต้องเข้าแหละก็ต้องออกออกได้ก็ต้องเข้าเข้าแล้วก็ต้องออกมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอยู่ในความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างอื่น อยู่ในความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสารพัดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นร่างกายจิตใจของเรานี้มันเป็นอนนี้จังมันเป็นของไม่แน่นอนมันเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันไม่อยู่อย่างเงี้มันไม่อยู่อย่างเงี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาไม่ดีซะแล้วอันจะมาเห็นมาความเปลี่ยนแปลงนั้นมันดีแล้วเพราะทุกวันนั้เราอยู่ในความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่โตมาขนาดนี้หรอกโยม มันนอนอยู่ในกระโรลกเทนั้นเนี่ยาวสักพุดหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันไม่โตเรื่องขนาดนี้หรอกที่มันโตมาเรงขนาดนี้ก็เพราะความเปลี่ยนแปลงนะแหละมันเกิดผลขึ้นมานะเป็นเด็กแลก็เป็นหนุ่มเนี่ยมันก็เป็นเงี้ยนี่ทําไมถึงมาความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเท่งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาหารการอยู่บริโภคการใช้เงิน็ัวมันกันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงยังไงอจมาจะเล่ามีทานให้ฟังมีทานเรื่องกรรมฐานครับกรรมฐานนี่หาความสงบอยู่บ้านน้อยก็ไม่สงบอยู่บ้านใหญ่ก็ไม่สงบมีของน้อยก็ไม่สงบมีของมากก็ไม่สงบไม่รู้ว่าความสงบไปอยูตรงไหนก็ออกทดรงไปขึ้นเขาไปโน้นไปพบที่ไอ้ไอที่โยมก็ไปเลี้ยงควายอยู่ในเขาเนี่ย จวนพรรษาแล้วไม่มีบ้านคนนะที่เขาไปเลี่ยงควายกันแดรูโฟนแม่โยมอาจะมาเนี่ยมันชวนภรรษาแล้วจะจำพรรษาทีนี้ได้ไหมโอ้ยถ้าจำก็ผมได้ก็ดีก็แต่ ม, มันทุกข์มันจนนะอยู่ป่าไม่มีอะไรโยมอยู่กันยังไงโยมปลูกฟักทองกัน ก, ก, ก, ก, กินฟักทองการกินข้าวกันกินฟักทองโอ้ยแตมาปรารถนาอยู่นานแล้วฟักทองเนี่ยชอบเหลือเกินขอให้มีฟักทองฉันเถอะหนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปแล้วแน่เดีย๋ยวได้จำภาษาสยองเขาข้าฟักทองแต่ยุ่งไว้เต็มทุกวันเนี่ยแกงก็แกงฟักทองหนึ่งก็หนึ่งฟักทองทุกวันทุกวั น, วนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนในโยม อนั่งเห็นหนึ่งฟักทองเห็นแกงฟักทองเลยเลยขาดภาษาโดยไปอยู่ไม่ได้มันเบื่ออะไมองเห็นเสาฟักทองเแล้วเบื่อแตแล้วมันจะ อ, อ, อาเกียนออกก็แล้วเนี่ยเออก่อนที่ยังมาอยู่แล้วโยงนี่ฟักทองอจะมาชอบแลว้วปรารถนาอยู่นานแลว้วนะผลที่สุดขาดภาษาย้อนฟักทองนะนมันไม่เอาอีนี่เดียวว่ามันต้องเปลี่ยนแปลง มันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอาหารนี่มันสลับตับตอนเพมันเป็นอยู่างนั้นเราจะชอบอะไรกันแน่หรอชอบไม่ชอบอะไรเน่ชอบเรื่องมันไม่แน่เรานชอบเรื่องมันไม่แน่อาหารทุกวันก็ต้องเปลี่ยนมานี่ทานนั่นวันนั้นทานนี้วันนี้ทานนั่นอยู่ง่ายมันชอบเปลี่ยนอย่างนั้นนี่ยอือคือความเปลี่ยนของมันแล้วอยู่โดยความเปลี่ยนแปลงนะ อาหารการปกฉั้นนี่เราก็เปลี่ยนแปลงวันนี้ฉันอาหารนั้นวันนี้ฉันนี้อยู่ได้นะถ้ายืนขาเดียวมันแกงฟักทองทุกวันตองตาก็ขาดภาษาตัวนั้นเลยไม่ได้อยู่แล้วลองดูสินี่มันจะแน่นอนอย่างมันแน่ยังไงมันแน่เพราะมันไม่แน่นั่นแหละไอ้ที่มันไม่แน่อยู่งั้นเรียกว่ามันแน่แล้วมันไม่เที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงนะคือมันเที่ยงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ฉะนั้นเรื่องกายกัิตของเรานี้จะเอาอะไรกับมันแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้โยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสันติงให้เห็นสันติงให้รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอืมมันเป็นอะไรไหมเราอยากจะได้สิ่งทั้งหลายในใจของเราใจของเรากายของเราเนี่ยอยากให้ได้ตามปรารถนาของเราทุกประการ น, นั้นมันก็ทุกถึงถึ ง, ง, งวันตายเลยลองที่อืมลองนี่ยนะไม่ทุกแล้วไม่ทุกถึงนั้นเน่ยนําบาก อาจจะมาค่อยสอนอนที่มีครอบครัวลูกหลานคนแก่คนแก่สอนเด็กสอนลูกสอนหลานนั่นโดยมากคนเราสอนกันชอบสอนเมื่อเวลามันกรธนะอืมเออเมื่อใจมันไม่สบายเราอยากจะสอนคนไปสอนมันก็ด่าเขาสอนนั่นแหละเห็นไหมล่ะต้องสอนเมื่อเวลาใจสบายสบายดีๆเราถึงสอนสอนลูกก็สอนเมื่อเวลามันกรธ ไม่พอใจสอนหลานก็สอนเมือ่อเวลามันใจเศร้าหมองมันโกรธจะไปสอนนิลานั้นอืมจะไปสอนลูกสอนเมียก็ชอบใจชอบอยากจะไปสอนในเวลาที่ใจเราไม่สบายนั่นแหละอไปสอนเมื่อใจไม่สบายก็ด่ากันเท่านั้นแหละนะมันเป็นใส่อย่างนี้คือไม่รู้เรื่องแต่ความมันเป็นจริงอย่างเรามีลูกคนหรือสองคนนี่รักมันมากถ้ารักมันก็ต้องสอนให้มันดี ตอนเช้าก็สอนมันตอนเย็นก็สอนมันบอกมันเรื่อยเรื่อยแม่ลูกชายมันลำคาญจะตายแต่แล้วแม่นี่ยบนตอนเช้าตอนเย็น จ, จู่จีจุกจิกมันไม่ฟังว่าเราสอนมันแหละแม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกรูป ก, ก็เข้าใจว่าแม่ จ, จู่จีจุกจิกเลืยกออกจากบ้านไปทอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนี่เด็กคือคนไม่รู้เรื่องกันเราเรื่องไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจของเรานี่ก็อย่างนั้นไม่สบาย แต่นั้นพระพุทธเจ้าของเราตอนเยี่ยงให้สอนให้ภาวนาภาวนาคือให้พิจารณารู้เรื่องจิตของเจ้าของนี่แหละไม่รู้เรื่องอื่นจิตนี่เป็นของสอนยากเป็นของสอนลาบากเพราะว่าจิตนี่มีอํานาจถ้าไม่มีอํานาจมันก็สอนง่ายแต่นั้นแหละไอ้สิ่งที่มีอํานาจกันสอนยากเมื่อสอนแล้วจึงจิตนี่จึงมีอํานาจสามารถพิจาระอารมณ์ <S 2> <S 2> <S ในทุกอย่างทุกประการ อันนี้เขาร้องไห้เราสบายอันนี้เขาหัวเราเยะเราก็สบายอันนั้นเขาเสียใจเราก็สบายอันนั้นเขาโศกเศร้าเราก็สบายอันนั้นเขาเรื่นเริงเราก็สบายสงมอยู่ช่นนั้นน่ยก็ไม่ไปที่ไหนก็มันมีเท่านั้นฉะนั้นเราจึงภาวนากันแล้วการภาวนาทุกวันนี้นะก็ภาวนากันในหลายอย่างนะ ไปแห่งหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งไม่รู้เลยว่าเราจะภาวนาอะไรกันไม่รู้เรื่องไปที่นี่ก็ภาวนาโพโทโพโตไปที่หนึ่งก็ภาวนาธรรมโมไปแห่งหนึ่งภาวนาสังโฆไปที่หนึ่งก็สัมมาอรหังสรรัมมาอรหังไปแห่งหนึ่งยกมือขึ้นอย่างนี้ยกตรงนี้ อไปอย่างหนึ่งก็เดินจมกลมช้าๆเดินตายไปเหมือนเก่าเ น, นี่ยนะบางองค์คนไปแห่งนึ่งเดินเดินพอดีพอดีเดินไปธรรมดาธรรมดาไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะเอาใครเป็นตัวอย่างเลยวุ่นอย่างงั้นแหละเอาพุทโธมาว่าบางังเอาธรมโมมาว่าบางังเอาสังโฆมาบน่นบั่งเอาอะไรมาหลายนะอย่างก็อย่างนั้นแหละมันไม่สบายใจนี่ก็เราไม่รู้เรื่องของมัน ในความเป็นจริงเราสิ่งจะสบายมันเปอรูปูจักของมันจริงจเรื่องจิตใจนี้มันเป็นของสอนยากเป็นของสอนลาบากแต่สอนได้แล้วมันก็เป็นของสบายถ้าทําใจให้สบายถ้าทําใจให้ถูกต้องแล้วตายมันก็ถูกต้องไปด้วยวาจาก็ถูกต้องไปด้วยตาหูจมูกนิ่งมันถูกต้องไปทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นเหตุอยู่ที่ใจเราไม่เห็นสิ่งอื่นเราไม่เห็นมัน อันนี้ไม่เห็นตัวเจ้าของมันไม่เห็นตัวเจ้าของเหมือนกัรกระโดยนต์โยมเคยนั่งรถยนต์มานะตารถยนต์มีไหมล่ะโอ้มันสว่างโล่ไปโน่นแต่เปล่าความจริงรถยนต์มันไม่เห็นหรอกมันไม่รู้เรื่องแต่คนนั่งอยู่บนรถรู้เรื่องว่าเออมันสว่างไปตรงนั้นตรงนี้ได้ประโยชน์แต่รถยนต์มันเฉยทั้งนั้นแหละ บางทีก็ขับมันไปโดนต้นไม้มันโดนทั้งนั้นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแต่ว่าทําไมมันไม่สว่างจารมีอยู่ในตัวรถทําไมมันไม่สวา่างแตามันมันไม่รู้จักคนเหล่านี้กับบรรกันฉันนั้นถ้าไม่พิจารณาธรรมะก็ไม่รู้เจ้าของอย่างนั้นจึงจัดมาเป็นคนมืดหรือจะเป็นคนบอดฉะนั้นทุกสิ่งทุกประการนั้นโยมอืมมันมีแต่เรื่องผิดหมดทั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุที่เราจะต้องทําไม่ได้ทั้งนั้นเลยธรรมะ นะในขั้งพุทธการก็อย่างนั้นพรามคนหนึ่งมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราอ่ะทำมันนั่นก็บาปมันนี่ก็บาปม่นนั่งนั่งไม่สบายใจเลยล้ามองไปอดีตที่มิตรบาปทั้งนั้นอยู่ในวานบาปทั้งนั้นทำอะไรก็าบาปทั้งนั้นเนี่ยเทศจบลงเลยข่าแจ่พระผู้เป็นเจ้า เป็นคนอยู่ในบ้านเป็นคณะราษฎอย่างข้าพระเจ้าอยู่ในบ้านนี่จะทํำยังไงทําอะไรก็ผิดผิดทำอะไรก็บาปบาปอดมันก็ได้กินยังไงทุกใจเถียงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าอืมพรามอย่างงั้นเลยอืาอย่างงั้นเนี่ยอยากจะทําบาปเมื่อไรมันมีความผิดมันจะอดมันไม่ได้จะทําทบาปอดจําเป็นจะต้องทํานั้นก็ให้พราหม์ทําเสีย้ยแตอย่าทำมาก นี่ทำแต่น้อยมีประการหนึ่งแต่อย่าทำบ่อยๆนี่เป็นประการที่สองอยังมีใครยังชั่วหน้อยเนาะนี่ยคลามก็สบายใจขึ้นนะอันนั้นอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ผิดจิต ม, มันก็วุว่นวายกันเท่า น, นั้นเนี่ยท่านบอกว่าเออทำก็ต้องเสียทำแต่น้อยก็สบายขึ้นนะอย่าทำมากอย่าทำบ่อยๆนะ สองอย่างเท่านั้นเน่ยโยมข้อปฏิบัติเราทุกคนลองลองดูดิเอาจะกินเล่าก็กินจะกินแต่ น, น้อยแต่อย่า ก, กินด้วยนะทําไปเถอะเดี๋ยวก็หยุดเท่นั้นแหละเดี๋ยวก็หมดบาปอะไรก็เหมือนกันเท่านั้ น, น, ามม น, น ท, ทาความผิดก็เหมือนกันผิดแต่ น, น, น้อยที่มันถดไม่ได้ทำผิดแต่ว่าทําแต่น้อยอย่าทำบ่อยๆ อ, อินทรีมันก็กล้ากินเท่านั้นแหละ อยากคุณสีโซตินทรีคายินรีมายินซีสารพัดอย่างอินทรียทั้งห้านี่มันก็กล้าขึ้นกร้าขึ้นมันก็มีกำลังขึ้นเรื่อยๆมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าบารมีของเรามันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาค่อยๆเต็มขึ้นมารูขึ้นมาตรงนั้นเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านย้อนเอาจัดทางด้ายที่อินทรียยังไม่กล้าให้กล้าขึ้นมาเราเป็มคารวะอยู่ทุกคนทุกคนก็เหมือนกันฉันนั้น อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเน่ยอะไรมันมากคือมันไม่น้อยมันถึงมากถ้าเราให้มันน้อยไม่ให้มันมากความก็ต้องน้อยจุดจานวนมันมากออกซีนให้เข้าใจเช่นนั้นทุกคนแล้วก็สบายใจกันธรรมะไม่ได้อยูย่ไกลเราเราคิดที่ถูกแล้วไอ้สิ่งนี้มันถูกอยู่แล้วลแต่ว่าเราคิดยังไม่ถูกท่านจริงมาปฏิบัติให้มันถูกในความเป็นจริงมันถูกอยู่แล้วแต่เราไม่ดูจากถูก มาภาวนามารู้จักควรถูกมันแจ้มมันก็เมื่อรู้จักถูกแล้วมันก็สบายเป็นมาเท่านั้นท่านเรียกว่าบรรดุธรรมะกัจจรู้ธรรมะบรรดุธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นความจริงเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้นะไอ้ความจริงทางเราเนี่ยเอามาหมดทุกผลนะเนี่ยแต่เราไม่เคยมองมันจะมองเห็นความจริงแท้จริงจริงมันก็ไม่เคยอยากจะมองนะเอดูที่ให้นั่งกนดปุถโธปุตตอให้บริกรรมมาเดี่ยเลยนั่งแพ็ปเยวไปโน่นเนี่ย หนังเท่จะไปโน้ตไปโน่นไม่รู้มันไปที่ไหนไอความเป็นจริงมันก็ไม่ไปมันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยก็เหมือนมันไปร่างกายของเราก็ส่วนหนึ่งจิตใจของเราก็เป็นส่วนส่วหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจบมันไม่แน่นอนใจก็ไม่แน่นอนกายก็ไม่แน่นอนมันจะคิดดีกวจะไปเชื่อมันมากออไปคิดชั่วก็่าจะไปเชื่อมันหมักให้รับรู้มันไว้ดูมันไปเรื่อยๆมันเน่ะท่านสอนว่าพิจารทั้งหลาย ผู้ดตามลักล่าจิตของตนผู้นั้นจากคุนจากหวงของมันให้ตามมันเถอะมันทําผิดก็ให้รู้ว่ามันทาผิดมันทาถูกให้รู้ว่ามันทาถูกอย่างเงี้ยทุกวันแต่มันรู้ไปเถอะภาวนาไปถเถอะเดียกวกับพราลงพราลงนะที่เดียกวกับการภาวนาไม่ใช่ว่าการนั่งกับตาเฉยๆไอภาวนานี่บางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันไม่มีโอกาสจะภาวนาหลวงพ่อทาไมแหม่ค่าายทำมาหากินนะมั้ย ยุ่งไม่ได้ภาวนาโยมเห็นการภาวนานั้นเป็นยังไงโยมขายของมันยุ่งยุ่งทำงานยุ่งยุ่งโยมโยมหายใจไหมด้วยโยมหยุดหายใจเออไม่หยุดทําไมมีโอกาสไม่หยุดจ้ะทําไม่มีโอกาสหายใจเมื่อเราทํางานมากๆมันยุ่งอ้ะแม้ร้องไห้อยู่มันก็หายใจนะกินข้าวมันก็หายใจนอนดับมันก็หายใจทําไมมันมีโอกาส อันนี้ภาวนาเรื่องจิตนี้ทําไมไอ้มันไม่ดีเกิดขึ้นมาเราพิจารณามันซะทุกเกิดขึ้นมาพิจารณามันซะเรื่องชอบไม่ชอบเกิดขึ้นมาต้องพิจารณามันเพี้ยทางนี้ทําไมจะไม่มีโอกาสไอคนนั่งก็เดียความเห็นจิตเห็นว่าการภาวนาในจิตมานนั่งรับกาอยู่อย่างย่อการยืนการเดินการนั่ ง, ก า, งการนอนเรื่องพิจารณาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนานั่นให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าจะยืนก็ภาวนาจะนั่งก็ภาวนา จะนอนก็ภาวนาฤทธรียนมันเข้ามาถึงว่าเรานั่งรับตาละดืตามันไม่เข้ามาละนั่นเ อ, อเข้าใจทีนี้เคร่อกรเข้าใจแบบก็นั่งรับตาภาวนากันนะ